เขาเคยมีการจัดอันดับสัตว์ที่เป็นนักล่านะนักล่าที่เก่งที่สุด น, นี่รารูไ้ไหมว่าหรือเดาได้ไหมว่าคือสัตว์อะไรนะหลายคนนึกถึงสิงโตนะสิงโตนี่ก็ไม่ใช่นะเขาพบว่าเนี่ยมันมีความสามารถในการจับเหยื่อเนี่ยแค่ส0มสเปอร์เ็นนะ หมายถึงว่าเห็นเหยื่อมาร้อยตัวเนี่ยมันจับได้จริงแค่สาสิบตัววิ่งไล่กวดบางทีก็วิ่งไล่ไม่ทันนะอันที่เก่งกว่านั้นนะก็คือปลาฉลามนะปลาฉลามนี่ล่าเหยื่อได้มากกว่าสิงโตประมาณสักหกส0เปอร์ซนจสิบอร์เซ็นะแต่ก็ยังแพ้นะอีกสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะซึ่งหลายคนนึกไม่ถึง ะมะแมลงปอะมะแมลงปอที่เป็นสัตว์นักล่าที่เก่งที่สุด น, นะเราจะไม่นึกว่ามันเป็นนักล่าเนี่ยมันล่าเก่งมากความสามารถในการล่านี่สูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นะหรือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้ามันเห็นเหยื่อเนี่ยร้อยตัวเนี่ยนะมันก็สามารถจะจับมาเป็นอาหารได้ประมาณเก้าสิบกว่าตัว เยอะก็คือมแมลงนั่นแหละนักล่านีก่ก็เราก็เห็นได้นะไม่ยากนะที่นีนะ่มันเป็นสัตว์ที่มีอยู่ได้ทั่วไปนะแล้วก็ดูไม่น่ากลัวแต่ที่จริงแล้วนี่ เ, เก่งมากเลยจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิมากนะนะ มีสมาธิมากเพราะว่าเวลาจะไล่าเหยื่อเนี่ยนะเหยื่อก็บินไปบินมาเหยื่อที่เป็นมแมลงนั้นก็พยายามหลบลีกให้ได้บางทีจะบินไปจับเหยือ่อไปเจอสิ่งวกแวกเนี่ยมันก็ทำให้อ่า เหยื่อนี่มันหนีไปได้แต่ว่ามแมลงปอนี่มีสมาธิดีมากนะแล้วก็หูตาไวด้วยนะเห็นอยู่ไกลๆเ น, ะนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้สนใจนะแต่พอได้ยินนะเสียงไกลแกนก็รู้แล้ะมันก็ตรงรีบเข้าไปไปจับมานี่เป็นครูที่ดีนะนะ มแมลงปอเนี่เวลาเราเห็นมแมลงปอแล้วนี่ก็ลองนึกลองมองว่าเป็นครูนะที่สอนเรานเรื่องของการพยายามให้มีสติมีสมาธิ<ม>เวลาเราทำงานอะไรเนี่ยถ้าเราจดจ่ออยู่กับงานสักครึ่งหนึ่งของมแมลงปอเนี่ย<ม>เราคงจะทำอะไรได้ดีกว่านี้เยอะเลยแต่ความจริงคือคนเรานี่นะวอกแวกนะ เยอะมากบ่อยมากก็มีการวิจัยพบว่าเนี่ยคนเรานะทำงานแปดชั่วโมงเนี่ยจิตใจจดจ่ออยู่กับงานจริงๆเนี่ยนะประมาณ2 0ถึงี่สเเซตท่านั้นแหละของเวลาเขาเคยทำวิจัยกับคนที่ทำงานในเมืองนอกประมาณเจดชั่วโมงครึ่ง บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มีสมาธิจูงงานเนี่ยไม่ถึงสองชั่วโมงนะหรือว่าชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแหละที่เหลือบอกแวกเน่ถ้าไม่ใจลอยฝันกลางวันก็ไปทำโน่นทานี่ที่ไม่ใช่งานของตัวหรือไพ่ให้งานที่กำลังทำเฉพาะหน้าเช่นโทรศัพท์นะ เขียนข้อความทาง l ล n e มั่งมึงนอไม่มี l i น e นะเขาใช้ h a t s a p อนพะแชททางโทรศัพท์มือถือบ้างละหรือไม่ก็เล่น Facebook หรือไม่ก็คุยกับคนนะองานจริงๆที่ทำอยู่ไม่ถึงสองชั่วโมงนะหรือชั่วโมงครึ่งอาจจะนั่งอยู่บนโต๊ะนะมีงานอยู่ข้างหน้าแต่ว่าใจมันลอยนยะอันนี้เรียกว่าถ้าจับเหยื่อก็จับได้แค่ย0 2สยี่บาเอร์นนั่นแหละ ให้เรานะลองเอาพ ว, วกมแมลงปอนี่เป็นครูนะว่าเออเราจะมีสมาธินะจดจ่อได้อย่างไรนะซึ่งก็ต้องมีสติถ้าสติเราเนี่ยนะฝึกให้ไวนะให้ไวแบบมแมลงปอนี่ห้ความทุกข์นี่ในใจจะลดลงไปเยอะเลย อารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีที่ทำให้ทุกข์ทำให้วีตกกังวลทำให้เศร้านะทำให้ขับแค้นหรือความอยากนะที่มันเผาใจถ้ความอยากมันเผาใจเหมือนกันนะอยากได้อะไรแล้วไม่ได้มันก็จะกระสับกระส่ายนะเราจะเห็นเด็กนะเด็กอยากจะซื้อของเล่นแต่แม่ไม่ให้เด็กก็จะหงุดหงิด โวยวายโจรคนหนุ่มนะที่เกิดมีราคาขึ้นมาเนี่ยนี่ห้ามใจไม่อยู่นะไปทำมิตรมิ้ายกับคนอื่นเนี่ยก็เพราะมันร้อนมากนะอาการอยากสึกของพระนี่ที่เขาเรียเรียกว่าร้อนพระเหลืองนะร้อนพระเหลืองมันอยากจะสึกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนี่ถ้าเกิดว่าเรามี มีสติที่ไวเนี่ยนะมันจะรู้ปั๊บเลยนะรู้ปับ๊บเหมือนกับมแมลงปอมันพอรู้ว่ามีเหยื่อบินอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่มันมันพุ่งเข้าหาเลยแล้วก็น้อยมากที่จะรอดเสียมือมันได้นะมันแม่นมากนะะให้เราสติของเรานะมันมันไวนะแม่น ในการที่จะจัดการกับศัตรูนะที่มันมาคุกคามจิตใจนะอารมณ์พวกนี้แหละนะความคิดที่เป็นกุศลเหล่านี้แหละที่มันเป็นอันตรายต่อจิตใจของเรานะควรมองว่ามันเป็นเหยื่อบ้างนะหรือเป็นเป้านะให้สติของเราเนะี่ยรู้ทันได้อย่างฉับไว ถราคนเราเนี่ยทำได้นะครึ่งหนึ่งของมแมลงปอนี่นะอันนี้หมายถึงสตินะที่รู้ทันนะแล้วก็จับเยือได้รวดเร็วนะก็ช่วตนี้นก็ความทุกข์ก็เบาลงไปเยอะเลยนะห้าสิบหกสิบ็ดสิบปอร์เซนทีเดียวอันนี้ก็เราไว้เป็นข้อคิดในายามเช้าน ะ, ะเตรียมรับพร อิจิตังปติตังตุมหังก่ออิทธผลที่ท่านป่าธนาแล้วตั้งใจแล้วเคปาเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉักรรันสาเพรโปรเรนตุสังกับป้าขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัทาเหมือนพระจันในวันเพมนมณีชโชติรโสยาาัาเหมือนแก้วมณีอานสว่างสวายควรยินดี สามพีติโยพิวาันตูปานจารายทั้งป u a n จงบังราดไปสามพรโรควินาสาัสตุโรคทั้งผ u a n ของท่านจงหายมาเตภวะวันตรารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลิสันิจางุทาปจายโน ญตารถมาวันธานีอายุวันโนสุขหงพลงสามสิบอาการคืออายุวันณาสุขหาพลายอมจะเหลื่แก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นน้พอวัดตูสะพมังคลาพอสะพมงคนจงมีแก่ท่านราคันตูสะเทวตาพอเหล่าเทวดาทั้งกลวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรมานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระสงฆ์สทธาสอดิวันตุเตความสดิท้งหลายมีแก่ท่านนุเมเธอ